ธรรมบทแปลเรื่องที่161อเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งตอนข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอาลวีทรงปรารบุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชี้ัดชาเป็นต้นตอน เสด็จโปรโดคนเขียนใจความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระสัสดาประทับนั่งในพระกันทะกุดีในพระเชตวันเทียวทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เขียนใจคนหนึ่งในเมืองอาลวีทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุห0 0รเป็นบริวาร ได้เสด็จไปสู่เมืองอาลวีชาวเมืองอาลวีนิ ม, มนต์พระศัสดามนุษย์เข็นใจแม้นั้นได้ยินว่าพระศัสดาเสด็จมาดังนี้แล้วได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศัสดาและในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขาคิดว่า เราจากค้นหาโครหรือจะฟังธรรมแล้วคิดว่าเราค้นหาโคตอนให้เข้าไปฝูงโคแล้วจึงจากฟังธรรมภายหลังดังนี้แล้วจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอาลาวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดรับบาด เพื่อประโยชน์แก่อนุมโมทนาพระศัตสดาได้ทรงนิ่งเสียโดยหมายพระไทยว่าเราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทางส0โสชนโยบุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคเมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจักแสดงธรรมมนุษย์แม้นั้นเห็นโคในกลางวัน ตอนเข้าฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ท่าของอื่นไม่มีเราจะ ก, กระทาแม้กิจศัก์ว่าการถวายบังคมพระศัสดาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ฝ่ใจจะไปเรือนมาสู่สำนักของพระศัสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศัสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่ พระสัสดาตรัส ก, กับผู้ขนขวายในฐานว่าของอะไรที่เป็นเดนของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือผู้ขนขวายในฐานมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าค่าพระศัสดาถ้ากระนั้นเธอจงเลี้ยงดูผู้นี้ตอนพระสัสดายังถูกพนทนา เขาให้มนุษย์นั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสรับสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพมนุษย์ผู้นั้นบริโภคพัดเสร็จบ้วนปากแล้วได้ยินว่าชื่อว่าการจัดพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปีดกสามเว้นที่นี่เสีย จิตของเขามีความกระวนกระวายสงบแล้วแต่เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวครั้งนั้นพระสัสดาตรัสอนุปปีคถาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปติผลแม้พระสัสดาทรงกระทามนุโมทนาแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามส่งเสด็จพระศัสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศัสดานั่นแหละยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศัสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศัสดา ทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้ให้แล้วพระสัสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเทียวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเพิกเธอพูดอะไรกันทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่า เราเมื่อมาสิ้นทางกันดานสามสิบโยดเห็นอุปนิสัยของอุบาสกนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวหาโคนในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุได้เพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิวจึงได้กระทำอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายด้วยว่าชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชิกัดชาปรมาโรคาสั่งฆ่าราปรมาดุา่าเอตังยตวายะ่าภูตังนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขั่ง ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระพรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบาดพระคาถาว่าชิกัดชา ปรมาโรคาความว่าเพราะโรคอย่างอื่นรักษาคราวเดียวก็หายหรือว่าอันบุคคลย่อมบำบัดได้ด้วยความสามารถแห่งองค์นั้นๆคือเป็นครั้งคราวส่วนความหิวต้องรักษากันสิ้นการเป็นนิดทีเดียวเหตุนั้นความหิวนี้จึงจัดเป็นเยี่ยมกว่าโรคที่เหลือ ขันหชื่อว่าสังขารทั้งหลายสองบทว่าเอตังยตวาความว่าบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามเป็นจริงว่าโรคเสมอด้วยความหิวย่อมไม่มีชื่อว่าทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันย่อมไม่มีแล้วจึงกระทำพระนิพพานให้แจ้งบาพระคาถาว่า นิบานังประมังสุขขังความว่าเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยอดคืออย่างสูงสุดกว่าสุขทั้งหมดในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบ